นาโมตัสสะภะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ บุตโตธรรมโมสังโฆเซนเตกมิชันติอปายาภูมิงปริปุเรสันติตมัสสะธรรมมปริยายสะธโทสะทายาสมาเทสกจังธรรมโมโสตบุต <c oughs> ่อนตั้งใจฟังสู้จีปุรียังไม่ได้ครบสูฟังอ่านทกษาฟังแล้วแบคิดอีกทบทวนกีมันเป็นหัวใจนักปราชญ์ ปูปูช า, าถามถ้ามันขัดข้องสงสัยอันใดหนาะ ร, ร, รู้มาแล้วบางทีรู้ผิดเข้าใจผิดให้ถามอีกปูช า, าถา ม, มถามแล้วแล้วก็ริวิจัยวิจารณ์ ย่อมีกลิ่ติตรงให้ทีทวนหนึ่งเรียงหัวใจนักปราชญ์ถ้าใครสามารถทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นนักปราชญ์ผู้เฉลียวสลาดผู้มีปัญญาสอนตัวเองอเห็นนั่นละ่ะมิได้ฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ จ่างนั้นไปอีกก็ทำไปเรืเ่อยๆ เ, เ, เ, เพื่อเราทุกคนเพื่อตั้งอยู่ในฐานะบุคคลเสียขาผู้ศึกษายังไม่จบอืเสียขาบุคคลบุคคลต้องศึกษาอยู่ตลอด คำเดียวศึกษาจนไ่ตลอดถึงขนาดนไหนตราบใดไม่จบเป็นพระอรหันทรทำลายกิเลสศึกษาอยู่างนั้นบุคคลหนึ่นเอเสค่าบุคคลอาเสคา่าให้เป็นอาเสคา่าจบแล้ว อืมทูไม่ศึกษาอีกกูไม่ปฏิบัติแล้วอืมพอทำสำเร็จแล้วพวกอเรายังไม่ได้ทำเลยหรือทำอยู่ใช่ไหมเออตังคิดแล้วยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ขึ้นคูอืม ยังไม่ได้ไเลยนี่ยยังไม่ได้แต่คิดแล้วมันบุกพล้องอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้มีอะไรสมบูรณ์นี่น่ะพ่อครับภาษะีขาภาษคขาศึกษาเนี่ยแหละศึกษาเนี่ยแหละ อืมหยุดไม่ได้เลยเหยน็นนะ่นนะในสุภาษิที่ยกขึ้นไว้อืมอาแสยพทะเจ้าพระทานบัลง์ทิ้งไม่ได้นะมมนได้ว่าอย่างอื่นนะดินินจะพูดยุคนี้สมัยนี้โอ้ยมันหลากหลายหลายครูหลายศาลาไม่ใช่ศาละแค่สามเท่านั้น ไม่เลยเอาสารณะนะ อ, อะไรอะมาอีกเนาะอือเอาเลยเลยโลเลที่เนี่ยจับจดอืเอเจออะไรกันแน่อือเห็นนั่นนะดรือจะยกตัวอย่างาให้ก็ให้ก็ลองอย่าเอาหลายอย่างนะพุทโธธรรมโอสังโฆสามก็ไม่ห้เอา ให้เอาเฉพาะคุโทอย่างเดียวเงินเวลาภาวนาเออไม่ให้เอาหมดเอาทั้งสองแล้วทั้งสามนะเอาทั้งสามตัวไว้มันจะครบไม่ได้อืมพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเหลือหนึ่งเอกลาติกธรรมชาติของเขา รู้ได้อารมณ์เดียวเพื่อม้ลุยหลากหลายไม่ได้เวลาภาวานาเวลากำหนดถ้าจะเอากระดูกก็อย่าเอาหมดทั้งร่างกายเอาท่อนใดทอนหนึ่งมาพิจารณาถ้าจะเอาผมเอาหมดทุกเส้นเหรอไม่เอาเส้นเดียวเจ้าขนก็ ข, น, ขนเส้นเดียว เอาเยอไม่ไดม้มันเป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นแค่รู้อันเดียวจ้องอยู่อขียนเรื่องว่าถ้าพิจารณาก็ให้กำหนดก็ให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันอย่าย้ายหนีไปนะ นั่นแหละระบบมันคือใครอยู่ปัจจุบันนะจะไปอดีตจะไปอนาคตนั่นเห็นไหมอยู่ปัจจุบันเราะมันมีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตไม่มีถ้าย้ายไปอย่างนั้นปกติธรรมดามันเขาไปอย่างนั้นไม่ได้อยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันกับไปอดีตกับอนาคตอะไรจะวกัน นั่นนักคิดนะเหตุนั้นถึงความเหตนนั้นถึ ง, ถงว่าฟุกซันเลยไม่ได้อันใดเพราะว่าาสพสังขารทั้งหลายเขานะี่ยเขามีเสปะปัจจุบันมีเสียงเห็นไหมเสียงพูดออกไปมีปัจจุบันเท่านั้นดับแล้วหายเล้วใช่ห ต้องจออยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไม่จะรู้เห็นจิตค่อยจะรวมลงเป็นสมาธิให้ปัจจุบันพุทธติให้แล้เลือกอยู่ปัจจุบันปัจจุบันอืถ้าลมจะมูกว่ะเข้าอย่าตามลึกเข้าไปเข้าไปถ้ายาวแล้วเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนได้เรื่องเลยสีเนี้ยเกิดเป็นอดีตอ น, นาคตขึ้นทเนี้ย ถ้าออกออกไปไหนอย่าตามรู้จะเข้าออกเท่านั้นเนี่ยมันสั่นที่สุดอืนั่นเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติของจิตเดี่ยแลกาเป็นอย่างนั้นถ้ายาวไปเลยหลายเรื่องเลยเกิดเป็นอดีตในอนาคตไปฟุง้งซ่าน เลยจับจุดจุดเวนมาป่านนี้ล่ะยังดีนยได้มาเป็นคนเนี่ยมานั่งอยู่แน่สามารถสามารถรวบรวมมนได้มามานั่งเป็นคนอยู่ในสองในไน้ได้ในใครบห้าหัวหนึ่งแขนสองขาสองเออยังดี ไปอีกพวกหนึ่งหรือขาแขนก็ไม่มีเห็นไหมเห็นเสกเห็นเสดเดือนไม่เห็นงูไหมนั่นเห็นไหมไปแล้วที น, <c oughs> นี้นั่นนี่นัน่นถึงว่ามันไปได้สารพัดเนี่ยจิตเนี่ยมันเก่งจิตวิจิตเคาว่าวิจิตมันมาจากไรนวิจิตในการคิดอืม วิจิตในการทำอืมวิจิตในการสร้างกรรมวิกิตในการเสวยกรรมอืมเมื่อธรรมดาอืมก็ดูสิละ่ะอืมเห็นนั่นเห็นนั้นฉัถ้าไม่ฝึกฝนไม่ไม่ไม่นั่นนะไม่อบรมอืมไม่อาศัยคึ่หลั ก, ห ล, กหลักอื่นไม่มีอืม ที่ซีดีอื่นไม่มีเลยเกีย่ยวกัพูดเ้าถึงสอนไม่เวลาทำเราแต่ขาคตทำเห้าไดแต่ถาคมพูดงว่ารัฐที่ศาสนาอื่นชาสดาอื่นไม่มีคำสอนอื่นไม่มีมักสี่ผลสี่ไม่มี ไม่มีมีเฉพาะในพุทธศาสนาสนาสั้นเศรีบุตรนันสี่ก็มีนี่เดี๋ยวนี้เขาลอกแบบไปทำอะไรบ้างถ้าลอกแบบไปนั้นถ้าเอาอว ด, ดอุดตรีเอาไปทำแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยขนาดอยู่กับครู ย, ยังไม่ได้เลยพรดเจ้าสอนไปยกกายคตธาสติขึ้นมาเอามาสอนเพราะกันพิจารณา ก็วิบากกรรมนั่นทั้งว่ววิบากกรรมโอโถ่โอ้ยร่างกายนี่ยสกปรกเหลือเกินปฏิกูลไม่น่าอยู่เลยเออพิจารณาเข้าไปเข้าไปโอ้ยไม่แต่ของสกปรกเลยดินน้ําลมไปมฟตับไตเสืพุงดูไม่ได donc, ้เลยอืกินปฏิกูลเหม็นใช่ไหมแล้วเช่ธรรมดาเนี่ยหนาธรรมปานาเข้าไปเนี่ยโอโถพิจารณาเข้าไปเข้าไป ถ้าไม่แยกภายนะกลิ่นปฏิกูลไม่จะขึ้นมาเลยขึ้นมาจริงๆเออโอ้อโถ่อะไรไม่แยกภายนะแยกมาไหนอืมโกรธเบือนะ่อน่ายที่เนี่ยวิปราชทีเนะี่ยฆ่าตัวตายเออทำอยังไงเขาจะหนีจากร่างกายนี้ยว่างะมันปฏิกูลนี่ดูคของโชกระโบกอืม ถ้าองค์พร้อมนะั่นน่องค์พร้อมนะั่อ ม, มีโกนะมานมานะเสือนเลยพ้าดตัวตาย <c oughs> มันผิดขนาดมีครูนั่นนะ่ะนะนะขนาดมีครูนั้นน่ะืนะมผู้โอนหน่อยก็เอามาค่ายด้วยใครมีคนรับจ้างฆ่าพระอยู่นั่น ค่าแล้วต uh, ้องเอ่อถ้าค่าแล้วเนี่ยเเอาเลยบริษัทไอเครื่องบริการเหมือนกันฮะรับจ้างค่าบริการจริงผ่าตายตั้งเท่าไหร่นู่นขนาดมีครูนะเนี่ยโอ้โหอืมมันเพี้ยนไม่ใช่ธรรมดาเลยโอ้ย เราจะมาทำเอาเองดูตำนานเราจะไปทำทำเอาเองไม่มีครูไม่ได้เลยขนาดนานลักษะเคยได้ยินไหมนาลักษะโมนายะมีท่านนานลักษะองค์เดียวในพุทธศาสนาเนี่เป็นหลานของพระ อ, อัญญาโกนทัญญาเอเอไม่ใช่หลานของอสิตาธบุตรอืม มุดียรเป็นยังไงท่าไม่ได้บอกรายละเอียดไว้เพราะมันเพราะมันจำเพาะมูจำเพาะพระสโค อ, องค์เดียวศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆมี อ, องค์เดียวเท่านั้นปฏิบัติมดุดนยะอืมวิธีปฏิบัติเป็นยังไงศึกษาธรรมมาศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว ไปเลยไม่ได้กลับมาสึกษา อ, อีกโขนไม้ถ้าที่เดียวไม่นอนค้างเป็นคุนที่สองบ้านไหนบินทาบาทแล้วไม่ซ้าเป็นวันที่สองไปเรื่อยๆโมเดียานอายุสัน้น พร้อทรมานทรมานมากๆเลยฮึม่มันได้ยินประวัติว่าประโยอนของท่านว่าอายุท่าได้เท่าไหร่และปรินาิณพานที่ไหนองค์เนี่ยฮทรมานปฏิบัติเยี่ยงบุญนี่ฮึ่ม ผู้หมดอะไรตายอยากไม่เอาไหนเลยโอนกะันไม่ห่วงเลยบุญดีอไปก็ไปเวลาปณินธานยืนยืนพิงภูเขาอะไรจําไม่ได้อืมใครอยากรู้มาดูประวัติยืนพิงภูเขาตายอืมคือปณิิพานเวลปาปณิธานเวลาตายก็ยืนตายไม่ได้นั่งไม่ได้นอนพิเศษ นั่นใช่ัหมป่านนั้นก็ย e ังศึกษาโมเดียโมเดียปฏิบัติข้อธรรมและปฏิบัติอืมนี่เห็นั้นจับหลักไว้ให้ดีนี่นะพุทโธธรมโมสังโคเสนเต๋อาศัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นรัศนะอื่นอย่า นาทีเมยแสดงอันยงที่ผ mm. ู้อื่นของข้าพเจ้าไม่มีพเจ้าระระสง์เป็นสน่ของของข้าพเจ้าอันประเสริฐไม่มีสนอื่นไม่มีในโลกเลยบอกว่าในในเห็นไหมปปปปตูสุดยถาปเสราบุลาณัพงาจะบปปดาสามาอนุปิใหญ่ยุงนิโปเทนตาเจตุดิาเอวังเจราจะมัจุจะ มีพูริยาพระธรรมพระสงค์เท่านั้นเป็นสนารณะที่ขึ้นชื่ออื่นไม่มีเหือ น, นั้นอย่าไปสงสัยอะไรอะไรเลยและที่าศาสนาอื่นอย่าไปเอามาเข้าใจนะไม่ได้เลยว่ามีอืมเป็นมิจฉาทิฏฐิเธอก็จะรู้แล้ววันนี้มิจฉาทิฏฐิมีเท่าไหร่ทั้งหมดหกสิบสอง ขวัยจากลูกไปดูเอาตำราโน่นน่ะเมื่อเสียมามาอ้างว่าเออมันทุกเื่อทุกศาสนาสอนคนให้คนดีไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เขาหลอกชอาพูดหัวอ่อนเขาไม่ไปเชื่อเขาสิเนี่ยเออไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะดีหมดสันแล้วเนอะเออเลยไอไอ้ไอ้ผิดคงไม่มีเนาะนี่พูดภาษา ที่ที่หกสิบสองมีอะไรถ้าย่นสั้นลงมาสามเชื่อว่าตายและศูนเชื่อว่าบุญบาปไม่มีเชื่อว่าศูนย์บางอย่างอืมเชื่อว่าเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นนี่เห็นผิดอืมสาติทิ อุชาชีศที่ิติมีบอกไปหมดเดือนสั้นลงมาหกทั้งหมดหกสิบสองเรื่องพระเจ้ารู้หมดแล้วโลกก็ไปดูรู้แจ้งลกเข้าใจนะอืมไปดูพุทธคุณอืมถ้างั้นน่ะนมแล้วไปศึกษาว่า พรดพุทเ้พระพุทธ้าทั้งสามระดับอปัญญาทิกฐะสัทธาธิกะวิริยาทิกะบําเพ็ญยังไงบ้างบอกไว้ละเอียดหมดเลยเดี๋ยใครจะไปเอไม่มีบกพ้องเลยคําสอนเนี่ยนะบอกไว้หมดเลยมีอะไรอะไรแก้ไม่หมดเล ย, ยธธหลวงพ่อทศมาหะแก้ด้วยอะไรด้วยแก้ด้วยอะไรจริตอะไรจริตถงแก้ด้วยอะไรอืสอนไว้หมดไม่มีโบกพ้องเลย เหตุนั้นแหละสี่ขนาดของพระพุทธเจ้านั่นประกาศเลยทำเราตถาคตที่แสดงไปแล้วมิผิดที่ไหนบกพ้องที่ไหนค้านได้เลยไม่เหมือนละที่าศาสนาอื่นาคานไม่ได้เนาะที่เอยค้านเราคอขาดตัวเนี่ย อันนี้มันค้านได้เลยเนอข้อไหนมไม่ไหนผิดอืมชี่เสี่ยงมาเนะี่ยนู่นมีดีไหมสารสดานี่หายากนะกงินไอไอไอปั่นนี่นะเออค้านได้เลยนั่นียั้นถ้าอยากรู้เนาะเอามาปฏิบัติ จะรู้ด้เลยอืมปวัจจ์ตั้งจำเพาะอืมมันจำเพาะอืมไม่เป็นบาปที่ไหนที่ไม่ดีที่ไม่ดีก็อยู่กับคนอยู่ทุกคนเลยก็โลภะโทสะโมหะมุลนี่อันนี้ลราเป็นอันนี้ลราพาเป็นบาปภาเวียนวายตาเกิดไอ้ที่ไม่ดีออ ม, มีอยู่กับหนูคนหมดไม่ด้อยู่ที่อื่น ไม่ใช่มีหาสาตานที่มาจากไงยไอ้ภาผ้าที่ไหนไม่ใครมาแต่งให้ใครอืงองั น, นี้แหละเป็นเห็นให้สร้างกรรมม่ดีว่ารู้อยู่เนาะอือพอรู้ไหมเรื่องวุสืโมหะอือถ้าไม่ศึกษาถ้าพระเจ้าไม่สอนแล้วเรนจะรู้มันเป็นอะไรใช่ไหมล่ะขนาดนี้ล้นเนี่ยเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้ล่ะ เวลามันขึ้นมาโอโทโฮลืมที่หมดนะใช่ไหยก็แค่ดูจิตนี่หมดเนี่ยนี่นรวมศูนย์อยู่ที่จิตนี่หมดเดี๋ยวนั้นจิตก็เจตสิกเดนเป็นบุญระบาไม่เท่านี้รูปทั้งหลายบรรดามีเยอะไหมรูปรูปเสียงกีโรูปาษะลนย่นสั้นลงมาห้านี่เสียงน่ะใชไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป นี่หนไหมเต็มหมดเลยรูปทั้งหรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนี่มีทาานรู้จิตกับเจตสิกเนะี่ยเป็นบุญลรบาปเจตสิกที่เส้าหม่องก็โลภะโทสะโมหะนะตัวนี้นะใครจะไปรู้บาบาปเลยนะฮะเวลาซาฟุตยังงงเลยใช่ไหมเวลาเวลาโลภะโทสะโมหามันขึ้นมาเป็นยังไงพอรู้อยู่นะ ลืมหมดเลยอือห็นอแม้เขาฆ่าตัวตา ย, ยานี่เงี้ยหมดทั้งโลกสนั่นบันไว้มันกี่ยุ ก, กี่สมัยฆ่ากันยังไม่จบอยู่ดีเนะี่ยอันนั้นบ้าควงคว้าว่าเขามาเกล์เกย์อันนั้นกูนดีเด้อุดโทแล้วมันหิวโหยขึ้นมามันจะไว้หน้าใครเนาะเรื่อ <laughs> นี้เนี่ยเนี่น เจตสิก ท, ที่ผ่องใสึังก็จับหลักองค์ธรรมขึ้นมาแล้วก็ก็ศีลก็ได้แก่หิริอุตตปะความกลัวบาปวดเวียนบาปไม่ทำบาปถ้าอันนี้เกิดขึ้นมาช่ไมล่ะสมาธิตั้งมัน่นในคุณงามความดีในพรตัตตาใจปัญญารอบรู้ ศีลก็ไปปราบความรู้เฉยหยุดเอาไว้สมาธิก็ไปปราบความโกรธโกรธความเครียดเอยก็ถ้าสมาธิมันทำใหชาติเย็นอืมก็ไปปราบความร้อนทุษะเม็นความร้อนใช่ไหมล่ะมันขึ้นมาก็พอรู้เลยหนึ่งเขายอมรับเลยมันไม่ วิทยาศาสตร์เข้าไปวัดดูโอ้โหไฟมันขึ้นมาแรงอ่ามีระโทงสากขึ้นมามีธาสี่ดินน้าลมไฟมันมีหมดพร้อมเลยเอาทางานอืมอืมนี่ไหมเห็นคนโกรธไหมคนที่เขาโกรธใช่ไหมโอ้โหอืมดูได้ไหมล่ะ ถ้าเราโกรธอ่ะเอออย่างดี้เราเราไม่รู้อีหนู่นนี่มันไม่เห็นหน้าเราเองนี่นะเออคนอื่นเขาดูไม่ได้แล้วจุ๋ม้งล่ะเออเนาะตัวเองไม่เห็นหน้าตัวเองอยู่ว่าไงมันคนร้องไห้เนาะคนอื่นเขาดูจะเป็นยังไงวเวลาโกรธจะเป็นยังไงพราเองตัวเองนะไม่เห็นหน้าตัวเองโอ้ยโง่เลือเกิน ขุดโคตรซูดโคตรง่แล้วอยากรู้ว่าตัวเองโง่้ไหมเออตัพิจารนณานเอ้ยถ้ากูไม่ง่้่ะกูรู้อะไรบ้างล่ะโอยหน้ากูยังไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นหน้าตัวเองไว้ที่นี้นี่จะโง่ขนาดไหนเนะาะขนาดหน้าตัวเองไม่เห็นนะ คนตาข้างบนข้างล่างมีกี่เส้นยังไม่รู้อีกใกล้ใกลตานั่นโอ๊ยเนาะ <c oughs> จะโง่ขนาดนี้แล้วนี่ไงเกิดมาทั้งชาติเห็นหมดเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ในร่างกายนี่ยคะเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นหมดนะเนี่ยถึงครึ่งไหมเห็นทางหลังไหมเห็นกระมอมไหม ว่ า, ากัเห็นตูดไหมโอ้ยนี่คนเราไปอวดจะวยอวดฉลาดที่ไหนได้จะไปวูดเลยเครื่องไหนตับไตไส้พูงเห็นไหมละ่ะไม่เห็นเลยนะไม่รู้อีดนอีนี่นี่เห็นไหมถ้าภาวนาจะนับได้หมด เส้นผมมีเส้นไรเส้นคนมีเส้นไรกจะดูกมีกี่ส่วนเห็นไหมนะคําสอนของพระเจ้าสอนไหมนั่นพระเจ้ารู้ได้ยังไงอืมพระเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์ยุกนี้สมัยนี้ใครเก่งกว่ากันอสอนไมก้นแล้ ว, ลวนะั่นน้ำได้หมดเลยอันนี้ น, นี่แค่รูปนะนี่นะยังไปรู้นามโลภะโทสะโมหะจิตมันเกิดขึ้นกี่ขณะทํางานอะไรบ้าง โน่นเนีรู้หมดเลยนุ่นไปดูอภิธรรมนุ่นอันนั้นอันีันน้นจนถึงถึงถึงถึงถึงถึงบอกให้บอกว่าหนึ่งกเหลือหนึ่งไม่เคยได้ยินหรอกที่ซีดีไหนบอกแบบนี้หนึ่งบกหนึ่งเหลือเ่นั้นก็เกิดพุ่งขึ้นมไม่ได้ตั่งอยู่เลยเกินใหม่นี่ ก็พูดใหม่พูดแล้วดับแล้วพูดใหม่อีกจะว่ายังไงแล้วก็นี่ังทุกขังหน้าตาก็อยู่นี่เห็นชัดชัดใช่ไหมเห็นอยู่รู้อยู่แต่รู้ไม่จริงหนูเอยก็ไม่ได้ไม่อยากรู้มันเลยนะของมุนีจะเกิดรู้ขึ้นได้ด้วยเพราะปัญญาวิปัสนาปัญญาค่อยรู้ นวเข้าใจถ้ามาเจริญไม่ปรัสนาปัญญาขึ้นมาถ้าจะคิดทิศใช้ครบมองจนก่อนต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าจะว่าก่าเจริญอริยมรรคให้สเปนทั้งเปิดให้เป็นสมังคีให้สมังคีสามัคคีกันหมดก็จะมาลูมูนี้ให้เกิดปัญญายานพูดว่า ให้ความถี่ของระบบวิญญาณธาตุเนี่ยขึ้นสูงความถี่สูงระดับไหนให้เขาใจนักสิ ن ي นะเดี๋ยวนี้ความถี่ยังไม่สูงยังไม่สูงยังไม่เร็วเหตุนั้นไม่สามารถจะไปรู้ ร, รู้อะไรได้เข้าใจนะอันนี้ว่ า, วาเปรียบเทียบเนี่ย ให้ความถี่เนี่ยสูงยิ่งกว่านี้อีกจนเป็นปัญญามนาสิการให้เป็นมนาสิการสูงกว่ามนาสิการนี่ยให้เป็นปัญญาจะไม่ชื่อดัันจะเปลี่ยนเมื่อเป็นปัญญาให้เป็นปัญญาญาณภาษาเรียบพอไม่ใช่เรื่องเก่ามันจะเปลี่ยนใหม่ขึ้นไปความเร็วจะสูงขึ้นอีกความถี่จะสูงขึ้น เราสามารถ ม, มาแยกรูปแยกนามนามนี้ยิ่งละเอียดที่ต้องแยกไม่ได้อีกโอ้เหตุนั้นยานพระเจ้าเคยได้ยินฟังไห ม, มเห็นไหมปุเพนิวสานุสติยานชิบะจักรคุยานอาสวัคขยานยานแ ต, แต่ละเรื่องขนาดไหนแล้วนะี่ยเออ มันวางคูดเัวเองนั่งคุยตัวเองเนี่ยว่ากันตัเ อ, เองเนี่ยโอ้ยไม่มีทางเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยอืนั่งคิดเอาไม่ได้เนี่ที่พูดเอาไว้เนี่ยมนันภาษาังแปดมื่นสี 8, 000, 000, ่พันพระธรรมขันธ์บัญญัติธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนั่นใไหมอืมคำสอนพอะเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระขันธ์มันเป็นบัญญัติธรรม มันเป็นชื่อเรียกถ้าพูดง่ายๆสันส้นๆแตพอรู้แล้วมันเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าสมม่วดๆเนีมม่ย ม, ม, ม, มันเป็นสมมติบัญญัติถ้าอยากรู้ให้อืเจริญสีสมาธิปัญญาให้เกิดเป็นปัญญาญาเข้ามากำหนดรู้ ให้ความถี่ในสูงเป็นระดับระดับดับจนนับโซดาสิกิธานะคะถ้าอยากรู้ไปดูนอืมระดับของพอระเนี่ยน่นท่านเป็นยังไงอืมมันค่อยจะมารู้เรื่องมูรีพิเศษเข้าใจนะเนี่ย น, นะฝึกฝึกมูนีขึ้นมาท่านรู้ตอนท่านรู้เนี่ยนี่นี่เนี่ยพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นมันก็เป็นให้รู้อยู่ มันทำไมถึงไปรู้แล้วทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตพรุ่งนี้มีแล้วมันก็มันก็มันรู้แล้วมันรู้ก่อนมันรู้ได้ทั้งทั้งสามการในนั้นน่ะวิชาวิชาเปรตนั่จะบอกว่าอืมรู้ปัจจุบันรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตแล้วเขาเชื่อมต่อโยงกันไปเป็นเหตุเป็นผลอะไรยังไงกัน กูดูส่วนโน้ไม่ได้นะใช่ไหมเนี่ยโน้นเห็นไหมนี่สี่เลยนะรู้ทุกู้สมุไทยัยรู้ดีโลดรู้มากอีกสี่รวมแล้วเปลีนเปลี่วิชาเปลีถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชานี่เห็นไหมพวกบุ้ดูส่วนของเราเนะี่ยโลกทั้งโลกไม่มีใครรู้เลยถ้าข้างมีนะ ถ้ทงท้งปัจจุบันนี่ก็รู้อดีตตั้งแต่มามาเ it, ตมื่อเช้ามานี่นุ่นนคนหลังไปหน่อก็รู้รู้รู้แต่รู้ไม่จริงอนาคตยังคิดอ่านไปอีกเต่รู้ไม่จริงแต่ความจริงเนีคค่นยแต่ความจริงนี่ยไอ้ตัวมีจริงจริงท่านมีแต่เพาปัจจุบันอดีตอนะคตไม่มีอยูนี้ปัจจุบันไม่ไปรู้อดีตเนี่ยก็มีปัจจุบันนใช่ไหละ่ะ อดีตไม่มีแล้วนี่ๆอยู่ปัจจุบันรู้แต่อนาคตพรุ่งนี้จะมีนี่เมันก็รู้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อ น, นาคตยังไม่มียังไม่ถึงมีเฉพาปัจจุบันแต่มีปัจจุบันปุ๊บก็ชั่วลัดมือดับแล้วหายแล้วนี่ไงเห็นไหมเมื่อมารู้เข้าไปแล้วมันจะรู้มันอันนี้จังทุกขั ง, งนันตามันจะเกิดขึ้นเห็นไหมหนุนมันสาวไปสาวมานันโอ้โหอันนี้เนาะ อพอมมันแยกเยอะในมุดเพราะปัญญาญาณความถี่มันสูงเรียกว่ า, ากันความถี่นี่สูงมากมันสามารถทำอะไรๆทีนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมโนธาตุวิญญาณธาตุอันนี้ภาษาเรียกจะได้ฝึกได้แล้วเหตุนั้นมันตึองเกิดมันเกิดอพิญญาสารพัดความพิเศษมหัศจริย์นี่อยู่ที่จิตเนี่ย จะ ต, ต้องขูขึ้นมาเจ๋เห็นได้น่ใช่ไว่ามันขนาดไหนเนี่ยเนีมันถึงต้อ ง, งเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมละ่ะปรากดเป็นอะไรถ้าทไม่ดีปเากฏเป็นเป็นสารวา่าจริงมันเป็นเปรตตกนรกบอกไมมันจริงถ้าอยากรู้ว่าเวลามันโกรธมันอยากได้มันเป็นยังไงเพราเข้าใจได้เนาะงานั้นใช่ไหมลืมหมดเลยใช่ไหม พูดโทรทโมชังโคลืมลืมหมดเลยลืมญาติพี่น้องลืมหมดเลย <laughs> น, นูน่ะนั่นเองใช่ไหมเนี่ยถ้าปลึกให้มันถ้าปลึกให้มันมันมันพิเศษมันก็พิเศษที่นะ เห็น้นพวกฤีไปเขาถึงเขาถึงหอเหินดำดินบินบนได้คห่อเหินดำดินบินบนได้เยๆได้ไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่สี่ที่ไม่ใส่ไอความมุ่งหมายในพุทธศาสนาไม่ไม่ไม่ไม่ได้สาคัญสาคัญที่สุดคือว่าให้มารู้ตัวเองและมาทาลายกิเลสไม่ให้หลงนี่หลักพุทธศาสนาใมาค่ากิเลสเท่านั้นเหนไ้สุขบิปสโก ถงแสดงฤทธิ์อะไรก็ไม่ได้ถ้าใครอยากได้สําเร็จเร็วฮให้เจริญวิปัสนาวิปัสนาล้วนสุขวิปัสสโกฆ่ากิเลสทุกเดียวอืร็แสดงทําก็ไม่ได้ออืเดินสายลัดเลยเนะี่ยเขาใจนะหมเออถ้าใครอยากเดินสายลัดเนี่ยมันเดินสายนี่แหละเจริญวิปัสนาล้วน พระอรหันต์สมีอะไรบ้างชุขาวิบัตสโกเตวิโสฉลพิญโญปฏิสัมมิทัปโตพระอรหันต์สบอกไว้หมดเลยมีครบอือชุขาวิบัตสโกฟูจิเรนนี่ปัสสนารวนอือเดี๋ยวมาทำสมาธิเยอะทำพรเป็นบาทรฐานแล้วในเจริญนีปัสสนารวนเลยฆ่ากิเลสเลยเข้าใจนะอือดึงกลับ ใช้เวลาหนึ่งกับทำจริงๆนะถ้าทำไม่จริงอีกอสองกับสามกับสี่กับโอ้ยหลายกับถ้ามไม่เข้าท่าเออ น, นะ น, น, นี่เข้ใจสิเนี่ยใช่ไหเห็นร้ยแล้วกันทีนี่เต ว, ว, วิโชได้วีซาสาม ประตูดได้ความรู้ขึ้นมาแล้วนะสามขั้นตอนเลยไม่ต้องพูดเลยทีนีโน่นหลเนี้ยเนี่ยเนี่ยชราพิโนโนเพิ่มอีกสามเป็นหกนู่นไม่ต้องพูดเลยอิทธิฤทธิความมหสัสจรรย์เ น, นี่อกิจเนี่ยมันมีและที่ศาสนาอื่นมันไม่มีเออเนี่ยเข้าใจใช่ไหมวัดอิสัมพิทัพปรตโอ้โหยอด ของพระหลานสินะอืมปฏิสัมพิทาสี่ลูกชาติหุ่นหลานเนี่ยไม่ลูกอสงไขเลยเแง่ชาติหุนหลังเนี่ยอู่บทเพลีนิพพานอุสติยานนั้นพิเศษเลยโูน่น่ะมีความรู้มหาศาลในหุทธศาสนาเนี่นไม่มีอะไรมาเทียบอืม คนมีกิเลสมันไม่รู้อะไรมันเมาต้องไม่รู้ ม, มันเล่นมันเชื่อไปได้เนี่ยของดีมีอยู่นี่หมดลเลยแค่ฟื้นขึ้นมาอืมดีอยู่ระดับนี้แหละเนี่ยระดับเราอยู่เดี๋ยนี้เดี๋ยวจะลืมนะทีะ่ของไม่ดีมีอยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์ของดีมีอยู่นี่มีกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในเรานะเพราะจะรู้เนาะถ้าเวลาโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาเบืนอยังไงฮะ วันนีกว่ายี่งยงไรกว่ามาอีกนะมาขี่เลือยังดีกว่าเนาะเนีเนี่ยพูดกันเลยเนะี่ยจริงไหมล่ะเออเนี่ยมีอยู่เนี่ยของมา ด, ดีเนี่ยละนี่เนี่ยเจริญนิพพานา ว, วยให้มาฆาเนี่ยลุ่ โ, โทสนมุฮนเนี่ยจบละอืมนี่ละ ส, สุขวิปะสะัสสก เตวิโชชลาพินโยปฏิสัมพิทัปโตพระละหันสี่มีครไปหมดเลยใครสามารถจะบำเพ็ญอะไรก็ได้พูดย่า้าไม่ได้สงวนลิขิตไว้กีเลนก็ไม่ได้สงวนลิขิตไว้ใครอยากได้เท่าไหร่ก็บำเพ็ญเอาเนี่ยนี่กำลังบำเพ็ญกันเยอะเลยใช่ไหมสันนัตบันใบทั่วบ้านทั่เมือง ท, ทั่วโลกเลยทั่ว เห็นไหมไม่มีใครมาหยิบด้วนนี้ใครเลยตัวเองทำเอาเอง้วนันลงมากรรมคือการกระทำทำเอาเองเรามีกรรมเป็นนันเกิดมีกรรมเป็นวิัมีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามไม่ได้พูดตัวเองเลยกรเพาะนใครมาทไม่กู็มีแต่กูีเอาเองจริงไหมล่ มื่เช้านี่กันเม่อเาทานข้าวว่ใครจะมากินให้กูก็กูอยางกินเอง <laughs> อิ่มก็อิเองใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยก็ของกูนี่เองเนาะใช่ไหมเนี่ยจะไม่เชื่อว่ากรรมมีชิน้นหญได้เลย <laughs> ใช่ไหมนันก็มีจริงจริงใช่ไหมล่ะไม่มีพระเจ้าตนไหนที่มาแต่งให้ไม่มีเลยอานาจศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเล ย, ยเลยห็จะยกเลยที่พูดนี่เห็จโยกนอื่เนี่ยนิยามห้ ธรรมะนี่ยามอนิจังกขงาาูขังนตานนพูดพดกดาบต้องเจริญปัญญาขึ้นมาเสียก่อนต้งกำหนดก็จะมารูอืใช่ไหมละ่ะอืถ้าไม่กำหนดจะจะที่ไหนได้เพามาเกิดปุ๊บดับั๊บแล้วหายแล้วใช่ไห ม, มต้องเจริญปัญญาขึ้นมาอม ให้ความถี่สูงเป็นัญญาเป็นปัญญายานเข้าไปรู้ปั๊บโอ้เห็นมันหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญายาน <c oughs> ย่าแค่อสายมาเลยระบบสัมผัสยังอาศัยหูในฟังกระแสใจนั่นดูมันเลยไม่รู้ว่าเห็นอืมเนี่ยนั่นน่ะนี่ยกิเลสมันเลยสร้างลูกคนนี้ขึ้นมาสร้างให้เป็นหญิงเพราะกมูมา ก, กู้ชายว่าไงนะ่ะ ก็กูชอบผู้ชายวนะ่ะกูเลยสร้างกูเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้ไม่ได้พูดตัวเองนั่นนะไปด้วยพระไตรปิฎกนั่นไอ้ น, นี่กูก็สร้างกูเป็นผู้ชายว่ะนะกูจะให้ผู้หญิงอยาก ผ, ผู้ผู้หญิงรักเมืนนะ่อน่ะต่างฝ่ายต่างสร้างขึ้นมาเช่กันนี่เนี <laughs> ่ยเห็นไหมจริงไหมยอมรับไหมจเจดั้งนั้นเลยสร้างขึ้นมานะ่ฮ้ยลงเอากรำรไม่รู้กำกำมัดทะลุแต่งขึ้นมา อืมใช่ครูคอยภาวนาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญาญาณรู้เดี๋ยวรู้ที่ไหนหน้ากูจะไม่เห็นกูเลยเนาะไม่เห็นเลยเออยิ่งเป็นนามเนี่ยมันจะเห็นที่ไหนใช่หมก็คือบุรุษน้ำเนี่ยเนี่ยนักวิทยาศาสร์ยังไม่เชื่อว่าว่าจิตมีใช่ไหมล่ะนี่นามเนี่ย เขาไปรู้ตั้งแต่เขาสร้างกล้องขึ้นมาไปสองดูจังเต็นดูตั้งแต่ไอ้ดินน้ำลงไปท่านจำไม่ล่ะเขาไปใส่เชืออะไรนั่นเขาไม่มีปัญญาปัญญายาณไม่มียังมีเขาๆสักหน่อยไอ้คุณตาไอ้อะไรล่ะอืมอืมชี้ิดดังๆไอเสตัยอันเบดไอเสตัยนะั่เออ ม, มีเข้าอยู่น้อยหนึ่งเห็นแล้ก็ยก ข, ขึ้นมาเออ มุททศาสนาจะมีพุทธศาสนาสนานันนัวนเชื้อได้แก่ตายก่อนถ้าเก่ไม่ตายก็จะดีเนาะแล้วแก่เลยตายก่อนไม่มีบุญเฮ้นั่ น, นเห็นไหมนนี้ว่าให้ฟังเห็นนั้นหลักปฏิบัติโวกเหนือจาก อืมกลายเวทนาจิต ท, ทำแล้วี่านสีดินนะพ่อนี่ยอืมให้ฝึกอิรียบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนอีรียบถสี่ยังไม่พออีรียบถย่อยแถมเข้าไปให้มีสติอยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันฝึกสติไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะเอี ไม่พอไม่รรมาทันกิเลสอืมกิริบทตทั้งสี่ก็มาทันอืมทำอะไรบ้างทานข้าวอยู่มีอะไรบ้างหมดเพียบถ่ายหัวใจรับประสาทหมดขับรถขับเรือทำงานงานเราไม่งานให้มีอยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันให้ฝึกแต่ยากำหนดลมหายใจเขาออกเดี๋ยวนี้กำลังทำงานอยู่ให้อยู่ปัจจุบันทำงาน เดี torture, aquí, ๋ยวนี้กําลังขับรถอยู่ให้มีสติขับรถเดี๋ยวนี้กําลังทานข้าวอยู่ให้มีสติอยู่อย่างนั้นอืเดี๋ยวนี้กําลังทํางานอะไรบ้างเดีกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำลังอาบน้าให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันอยู่ดอย่าบ่ด้วยยังมีอีกนับไม่ถ้วนอืทําอะไรบ้าอยู่อยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันให้มีสติอยู่รู้ผูกสติ อย่าทิ้งสติอื่ก็คือสุขสติเยอๆจะติดต่อเนื่องเนี่ยมันต่อเนื่องใช่ไหมเข้าใจนะเนี่ยมันต่อไม่หยุดให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตอนนี่มันงีอยู่ไงแค่นี้เรื่องวัจิบธรรมอืมแต่ไปทําเฉพาะไปไอไอไอกิจกรรมไม่พออืเช้าเย็นลือ ม, มีอะไรบางก็ไม่พอมันไม่ทัน ทำอะไรอยู่ให้ผลิดอยู่ตลอดได้เท่าไหร่ก็เอาให้ต่อเนื่องอนี่มันไม่ต่อใช่ไหมล่ะ เ, เด็กก็ไปอดีตเด็วก็ไปอนาคตไม่อยู่ปัจจุบัน อ, อดีตอนาคตถ้ามีไม่ว่านะเข้าใจนะสีจะบอกวิธีอดีตถ้าเกี่ยวกับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ดยงไปอดีตไม่ว่านะอืมพอไปแล้วไม่นเกีกับขึ้นมาปัจจุบันอ น, นาคตที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันไม่ว่าเพราะการงานบางอย่างเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไปนี่กลับขึ้นมาแต่อย่าไปแล้วตะเลืบเปิดเปล่งด้วยเปลยเข้าใจนะที่นี่นะออส่วนมากไปอย่างนั้นใช่ไหมไปตะเลิดเปิดเปิงใช่ไหมให้กลับมาปัจจุบันเดี๋ยว น, นี้งานมีอยู่เนี่ยอย่าที่งานไปให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบัน มีวิธีฝึกเข้าใจหน้าทีนี้นะค่อยฝึกสติสักก่อนฝึกจนสติเนี่ยมันชํนชนานี้ชํานาญมันแก๋กลาละมันจะรวมลงเป็นสมาธิอืมมันจะไปอยูนอย่างนี้สมาธิน่ะนะอุปจราระคณิกะอุปจราระอัปนาอปนาอัปนาชาญเมื่อเข้าชาญไปปุ๊บมันจะไม่ทํางานจิต ที่ไม่ทํางานมันเ็เพ่งอารมณ์เพียบเหมือนนอนหลับเคยาใจนะถ้านอนหลับนั่นเท่าไหร่ว่าถ้านอนหลับนั่นถใช่ว่าพ่าสาทำธว่าเนี่ยพ่อวังขบับอืมีไหมเขาไม่เขาไม่ทํางานนั่นไม่ต่างอะไรกับคนตายคิดไปไหนนั่นเห็นไหย จิตมื่เกิดดับเกิดดับไม่เป็นดวงเป็นดาวไม่เป็นตัวเป็นตนอืมไปนู่นไปนี่ไม่มีจีนก็เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบหลักพุทธศาสนาเข้าใจนะเ อ, อไม่มีไม่บินแล้วที่ท่าพูดไม่รู้อี น, อ น, น, นี่โอ้ยเนี่ยแล้วไปเอาลักที่ศาสนาอื่นมาพูดเข้าใจนะจีลก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอยว่เกิดดับหมดทั้งลูกทั้งนามไม่ไม่ได้ตั้งอยู่ได้เลยนี่นี่ลูกนี่เห็นไหมคําพูดนี่ยปุ๊บดับละ เห็นชัดเนาะมีกายทั้งหมดกำลังหายใจอยู่นี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่มันมันดินอยู่หมดเลยร่างกายเนี่ยเกิดดับทั้งนั้นเลยต่อเนื่องซืมต่อระบบสันตติมันซืมต่อนันเป็นระบบสันตติ อืพูดมันพูดมาเป็นภาษาภาษาธรรมภาษาบาลีเลยนะเห็นนั้นเวลาภาวนาไปนะในจะเห็นได้ ย, ยกแั่ตอนเวลาภาวนาไปปุ๊บนี่นะเขาจะไม่ได้เอาภาษาสมมุติของโลกนี้ขึ้นมาเลยเข้าใจะนะก็จิยกเป็นภาษาบาลีขึ้นมางงเลยทเ น, นี่ยไม่รู้ว่าภาษาบาลีใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างอันใจิตมันรวมลงเป็นสมาธิเนี่ยมันเกิดอะไรเกิขึ้นเลยอืม นาทีนาถีสันติพลังสุขังก็มันอะไรเออมันเกิดเอ่อมันเกิดนิมิตขึ้นมาในยกในยกอย่างให้ฟังนะเออมันเกิดมันเกิดไอ้นิมิตความรู้ขึ้นมาคนไม่ได้ยินไม่ไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะนาทีสันติพลังสุขังมันคืออะไรนี่กาลังเป็นอยู่นี่ยเนี่ยเเนเี่ยกลังเป็นสมาธิอยู่เนี่ยโอความสงบ อืมเป็นสุขอย่างยิ่งคือกิเลสงบแล้งับอืมอัปปนาสมาธินั่นเห็นว่าเขาจะบอกเป็นสุภาษิตที่ทุกขึ้นมามหรือไม่นั่นอืมเขาจะบอกเป็นปิชนาธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสั้งคารทั้งหลายอืมอันนี้จังทุกขอังอนาตาธรรมทั้งหลายเป็นอนนาตา แมแต่พัติมานก็เป็นอนนาตาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยสมมุดเอาเข้าใจนะที่นี่นะสมุดเอาหมดนี่สมมุดเออมนุษย์สมมุดมาเป็นหญิงเป็นชายอีกอสมุดเอาหมดเลยอืถ้าไปถามมันแล้วมันจะตอบไหมนี่ถามนิ้วมือทั้งห้านี่มันไม่ตอบถามทั้งหมดนี่ก็ไม่มีใครตอบใครถามไปหมดทั้งโลกไม่มีใครตอบเลยเขาไม่มีใครมายืนยันว่าข้าเป็นอันนี้จริงไหมล่ะ นี่น่ะสพัพเพสั่งข้าราอนนาตาจะบอกขึ้นมาอ่สาสัพเพธรมมาอนนาตาทำ ม, ม, มาถึงนน้ำแล้วเธจนถึงพันิพานนี่มันชาพุทธชาพุทธงงเอาพันิพานมาเหียงทะเลาะกัน <c oughs> ยังไม่เคยดูเนาะนี่นนี่พูดได้ฟังนี่เรามันนี่เรามวนาไปแล้วมันจะรู้เลยโอ้ไม่มีอะไร เ ก, ดดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับหายไปแล้วไม่มีเลยมีแต่ภาษาอามาพูดกันพระพุทธเจ้าก็ต้องได้สมมติขึ้นมาเป็นทศเป็นเป็นบัญญัติเข้าใจนะทีนี้นะแล้วไม่มีอะไรอันนี้ภาษาพูดนี่ภาษาไมนี่ไมก็ไม่ตอบไมก็ภาษาไม่ก็สมมติเอาผู้รู้ทุนนี่แหละไปสมมติขึ้นมา สมมติมาว่าอ้อากันทำให้เยอะๆนะเข้าใจนะกล้าตายไม่กลัวตายนี่พอิีวัในศาสราเนะี่ยเข้าใจนะห้ามอยากให้เป็นเวลาทำให้บูชาพระจาแนา่ใให้ทำต่อเนื่องอย่าหยุดเข้าใจนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอ น, นัตตา ให้ต่อเนื่องต่อต่อต่อต่อตถ้าขาดตอนปุ๊บมันก็ไปแล้วโลภะโทสะโมหะมันเข้ามาแทรงแล้วใช่ไหมล่ะอืกุศลให้เป็นกุศลให้เจริญธรรมนี่เป็นกุศลต่อเนื่องถ้าขาดตอนปุ๊บเอกุศลคือโลภะโทสะโมหะมันก็เข้ามาปั๊บไปแล้วขาดตอนเลยอถ้ามันขาดตอนแล้วปุ๊บ มันก็ไม่เป็นงไงแต่เนะี่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นดีแล้ว <_ an> มัน <_ an> มั น, ม, นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอืมอุปัฏฐะเกิดขึ้นที ต, ต, ติตั้งดูพังคะมันดับไปไม่มีรอยต่อหารอยต่อไม่มีแต่ถ้ามีปรรยายาัญญาญาณมันจะรู้รอยรอยต่อหมดเลยเข้าใจนะที่นี่นะถ้าฝึกสตีขึ้นมา่มันจะรู้รอยต่อหมดอ่า ให้่ากันปฏิบัติเอาเอื อ, อนั้นที่บรรยายทำมาเอาหัวข้อใหญ่ๆมาให้ฟังทีนี้เป็นหน้าที่ของตัวเองถ้าอยากพ้นทุกค่อยทำเอาเองถ้าไม่อยากพ้นทุกก็อย่าทำ <laughs> มันเป็นหลักกรรมนะถ้ามีสิ่งใดได้ประม า, าทพัดพังลงเกินต่อองค์หลวงปู่ไม่ว่าด้วยกายวาจาใจ ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านได้น้อมจิตเพื่อขอขอมาต่อองค์หลวงปู่นะครับท่านได้กล่าวนะโมสามจบได้ขอกล่าวคําขอขอมาในลําดับต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมาสัมพุทธัสสะ เทเปมาเดนะดวารตเยนกตังสพภังอาภาราทังขมะทุโนพันเตเทเดปมาเนะดวารตเยนกตังสังอาาราทังมะทุโนพันเตเทเดปมาเนะ เจาว่าใจเยกตั้งสัตว์ทางอภารังธรมสุนวันเดโอห่ข้ามม ตุ้มให้ฮิพิแม่ขมิต บ, บงังขา ม, ม า, ขามะพันเตอ่าขม า, ขา ม, มาพันเตไอ้พรกันขา ม, มามะพันเต เ, เ, เ, เออนี่เหลือจะไม่รู้เลยนะี่ยมันจะไม่เป็น ร, รมหมอว่าอีกยังไม่จบ <laughs> เอวังหูตุเอวังหูตุหูตุโยจะูเบปมาสิตวปัาะโนาะมาจติโสมังโลกังบาศิตีบามตุวัจิมาสปิสปปะังกตังกัมังคุสเลนาปหิติโซมังโลกังบพาศิตีบาโมตวัจดิมาพิวาตนเซิสนิจังหัวาปจายโนตารโรธรรมาวันติโยนสุขังบา หมดทุกข <ome> ์ามอะหมดทรสาธุขับในนามชมรมพุทธบัหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยกันเด้อสาธุอย่าทำอีกเด้อ มันทำใหม่เรื่อยๆนะไม่หมดแล้วเหรอเหตุนั้นแหละของงูนี่นี่มันเกิดใหม่เรื่อยเกิดปุบปุบซ้าไม่หยุดเหอเหตุนั้นไม่แค่นี้นะทั้งหลายที่มาด้วยกันอยู่ด้วยกันใครโกรธใครบ้างใครเสียใครทำให้กันเสียใจบ้าง ใครกาดข้องมองใจกับใครบ้างให้ไปขอเข้ามากันไม่ทำแค่นี้มไม่พอนะนี่เฉพาะอาตมาอ่ามันสำคัญที่สุดในที่อยู่แล้วกันนั่นนะใช่ไหมให้ไปขอเข้ามาตัวที่แท้จริงอถ้าเกิดเรื่องอะไรกับใครแม้แต่กับเด็กใคยไปขอเข้ามาโทษเขาอืม มีหลักคำสอนในพุทธศาสนาะแล้วจะเล่าผมจะเล่าความเป็นมาให้ฟังสิเนีย่ยเฮ้ยพรอมหากระจายนะมิเศษฐีผู้หนึ่งก็มหากัจายนนะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รัตยาทศแล้วเนี่ยสวยงามโอ้โหผิวนี่นะ คนมีกิเลโสโฉเลยจ้ะไม่เห็นผิวพรรณนี่โถยสั่งเป็นสวยงามไป้ลพระพุทธคุณเจ้านย่งเงี้ยนะไมนได้นึกไปอย่างอื่นคนมีกิเลสเนาะถ้าเราได้เมียผิว ม, า, มอ า, าอย่างพระคุณเจ้าเน่ยมุดโถไม่โทษเลยง่างั้นนะกิเลส <laughs> เนาะเพศกลับเป็นหญิงเดียวนั่นเลยปุ๊บปับนูนเห็นไหมอันนี้อันนี้อัน น, น, น, น, นี้ตัวอย่างนะ น, นี่นะอเพราะว่าระดับ ผู้บำเพ็ญบารมีจะเป็นผู้นิจเจ้าเกือบจะได้ราชประเทศแล้วไงนะเออเนี่ยเนะนี่ยเพระมหากระจายยานานนะเหตุนั้นที่ว่าอนุภาพใส่คำว่าอนุภาพเนาะเออนี่ยใช่ไหมกลับเป็นผู้หญิงนั่นเลยอยูไม่ได้แล้วนี่น ย, ไ ม, มยมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไปอยู่เมืองอื่นไปได้ผัวได้ลูกสองคนไม่ได้ไม่ไม่ไมได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้สมบูรณ์ขึ้นเลื่อยๆนะเป็นจริงเห็นนะใช่ไหมเออ ทีนี้เพื่อนพวกเดียวกันเออก็เลยไปไปเจอกันเฮ้ยไปเจอกันแล้วแล้วแล้ไปปรับทุกข์กันโอ้ยไม่ได้เลยแล้วเนี่ยทุกข์มึงมากเลยเมื่อรื่บาปอะไรไม่เคยเป็นโลกเขาไม่เป็นเนาะเป็นตัวในตตัวเองเนาะก็เลยเล่าประวัติความเป็นมาเพราะมันเกิดขึ้นที่จิตมนุกบำนึกในจิตนั่นแล้วมันเนี่ยว่าไม่ได้พูดให้ใครฟังก็เกิดมา ที้งอะไรามาไ ข, าาขาปริศนานั่นออกให้เพื่อนฟังแล้วจะทํายังไงเป็นทุกข์มากๆแล้วเดี๋ยวนี้เออเพื่อนก็เลยแนะนําให้ไปขอขอมาให้ไปขอขอมาพระพเป็นเจ้านะ่อิมันเป็นมาอยู่แล้วนะพอไปขอ ข, อขอมาพอไปขอขอมาปุ๊บเพกกลับมาเป็นทายขึ้นมาเดือนนั่นเลยเป็นได้ไหมเป็นจริงไหมนี่แลหละอุทาหรณ์ เออเนี่ น, น, น, น่น่มันเป็นจริงอย่างนี้นนะทั้งหลายเหล่เนี่ยท่านทั้งนั้นีท่ ท, ที่ที่เราลดระดับนี้ใ น, นนะ่ะท่านจะว่มันเป็นเหตุให้เป็นมนลถิ่น ม, มันขวางมักขวางผลมักขวรสักขวรมันกัน้นมันขวางไว้หึมการทำามัม่ดีท้มขวางมันผูกม นี่ไงเวลาเจะพภาวนาเวลาจให้ทานนักดิ้นมันข่วงมึง น, นึกได้นี่ขึ้นมามาับเคลืนขึ้นมาเลยใช่ไหมยิงให้คนในคู่กรณีมันดยู่ใกล้กันเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยใช่ไงล่ะนี่ไงไให้บัขอขมาเลยเวจะสาวมาพูดให้บังเอิญไงหลวงพ่อจ้าท่านจะคุณไอไอุตอดท่านบำเพ็ญแล้ว อธิบดีไหนอยู่อยููกูเทียมเนี่ยเมื่อทำกันก็มาจะแทตกก่อนนั่นแล้วได้เป็นโรคเป็นภัยเนยโรคของท่านนะไป ร, รักษาอยู่เมืองกีนเนี่ยห ม, หมดเงินเป็นล้านเลยวันั้นันนั้นยังมาหายแค่บันเทาท่านแล้วก็ได้มานอนอยู่ในโรงพยาบาลศีร้ะคดินที่ขอนแก่นนี่อยู่กี่ปีสี่ปีเลยน่นนะมรณะภาพขาดโรงพยาบาลเลย เพราะทกรรมมณีวไว้เห็นุนั้นนั้นว่าขอขอมาโทษมมมมมเรื่องของภพาศาลเนาะเรื่องภาาพศานะพ่ไพ่รู้เนาะไพษาะที่อยู่ลําพูนน่ะราคีอ่ยวข้องเนี่ยท่านจะบอกว่าให้ไปขอขอมาโทษเขานะอธิบดีนี่เนี่ยเคยทำไปโอ้คว่าจะเข้ามาหาอธิบดีเนาะไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะพวกมู่นี้มันวิชาไมนขึ้นสมองเนาะมันไม่ได้เชื่อกำเชื่อเวรใช่ไหมล่ะต้องอาศัยรัฐมนตรี นี่ยมขอขมาโทษเอชวขมาขอขมาโทษปุ๊บอธิบดีนี่ได้เลื่อนขัน้นไม่มีอะไรติดข้องอยู่แค่นั่นแหละ ม, มีแม่ค้าอีกคนหญินะ่งเนี่ยเออคอยง่วยหน่อยผู้หญิงเป็นแม่ค้าเข้าไปใกล้ง่ายไปขอขมาโทษเรื่องขอขมาเนี่ยมันไม่ยากขอขมากรรมนี่นะ